วันนี้เป็นวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2565เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดทำงานเพื่อที่สาธุชนพุทธบริษัท จะได้มีเวลามาทำคุณทำประโยชน์ให้กับตนเองและให้กับผู้เนื่องจากวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่พวกเราลูกๆทั้งหลายมาน้อมลำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของคุณแม่ และของคุณพ่อเพราะว่าสิ่งที่คุณแม่และคุณพ่อมอบให้กับลูกๆอย่างพวกเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าเท่ากับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้มอบให้กับลูกๆนั่นก็คือได้มอบชีวิตร่างกายอันนี้ให้กับลูกๆ ทั้งหลายนั่นเองเพราะว่าถึงแม้ว่าใครจะให้อะไรเป็นเงินเป็นทองกองเท่าภูเขาหรือให้ตำแหน่งให้เกียรติถึงขั้นพระราชาหมหากรัตร์แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับพระคุณ กับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้กับลูกๆนั้นเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับลูกๆคือชีวิตหรือร่างกายนี้ก็จะไม่มีความสามารถที่จะไปรับสิ่งต่างๆจากผู้อื่นได้ต้องมีร่างกายต้องมีชีวิตนี้ขึ้นมาก่อน แล้วถึงค่อยไปรับสิ่งต่างๆต่อไปเช่นรับลาบยศสรรเสริญรับเงินทองรับตำแหน่งรับความสรรเสริญอะไรต่างๆรับความสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งต่างๆทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีร่างกายก่อน และการที่จะมีร่างกายอันนี้เกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนี่แหละคือพระคุณของคุณพ่อคุณแม่นี้ยิ่งใหญ่กว่าคุณของสิ่งต่างๆที่ไม่ว่าใครจะให้มาก็ตามจะให้เงินทองกองเท่าภูเขาจะให้ตำแหน่งให้รังวีรางวัลให้ความสุข ให้ไปท่องเที่ยวให้ไปดูไปฟังไปกินไปเดินอะไรต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เปรียบเทียบบุญคุณของคุณของบิดามารดาไม่ได้นี่หละคือความยิ่งใหญ่ของพระคุณของบิดามารดาของลูกๆทุกๆคนที่ลูกๆทุกๆคนควรจะรำเลิอกอยู่เรื่อยๆ ไม่เฉพาะชะไม่เฉพาะแต่วันแม่หรือวันพ่อเท่านั้นอันนี้เป็นการเทิดทูนก็คุณของแม่และของพ่อเป็นทางการแต่การกระทําการราลึกถึงก็คุณของคุณพ่อและคุณแม่นี่เป็นสิ่งที่เราเพิงกระทําอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆทุกวันทุกคืน เช่นธรรมเนียมของชาวพุทธเราเวลาที่เรากราบพระกราบพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะกราบพระคุณของบิดามารดาไปด้วย <c oughs> เหตุที่เราจําเป็นที่จะต้องมีการำนำเลึกถึงพระคุณอยู่เรื่อยๆนั้น <c oughs> ก็เป็นเพราะว่าถ้าเราไม่ทํากัน เราอาจจะลืมได้เพราะการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกวันนี้เราก็ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆไปคิดถึงสิ่งต่างๆก็าอาจจะทำให้เราลืมนําลึกถึงพระคุณของบิดามารดาได้ และเมื่อเราลืมนำเลิกถึงพระคุณของบิดามารดาเราก็จะลืมการตอบแทนพระคุณของบิดามารดาได้ไม่ถึงแต่ถ้าเราคอยนำเลิกอยู่ทุกวันอย่างน้อยวันละครั้งสองครั้งก็ยังดีเช่นตอนกราบพระก่อนนอนหรือตื่นเช้าขึ้นมาถ้าเราไหว้พราสวดมนต์เสร็จก็กราบ พากนแล้วก็กาบบิดามาันดาไปด้วยเพื่อจะได้ให้เรานึกถึงพระคุณของบิดามาันดานึกถึงความสำคัญของบิดามาันดาที่พวกเรานี้เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมีบิดามาันดาให้กำเนิดจากพวกเราชีวิตของพวกเรานี้ที่เราเป็นอยู่กันได้มา อย่างวันนี้นี้ก็เป็นพ่อเรามีดามีลิดามางดาที่ให้กําเนิดกับเราเราก็ต้องจาเนึกถึงพระคุณแล้วก็ต้องมีการตอบแทนพระคุณด้วยถ้ามีโอกาสถ้ามีเหตุที่ควรจะกระทำไม่ควรปล่อยปากล่าเลยเรื่องของการตอบแทนพวกคุณ สองบิดามารดาเพราะว่าความกะตัญยูกาตะเวทีนี้เป็นคุณสมบัติของคนดีใครที่จะเป็นคนดีได้นี้ต้องมีความกะตัญยูกาตวเวทีมีความสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณเรียกว่าความกะตัญยู การตอบเวทีเรียกว่าการตอบแทนบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับบุญรับคุณจากผู้ให้บุญให้คุณเมื่อถึงเวลาเมื่อมีโอกาสเมื่อมีเหตุที่ควรที่จะตอบแทนบุญคุณควรจะรีบตอบแทนแล้วก็ ทำด้วยความยินดีถ้าเราล้ำนึกถึงพระคุณที่ท่านมีให้กับเราแล้วเราจะมีความยินดีเสมอที่จะตอบแทนบุญคุณแก่ผู้ที่มีพระคุณให้กับเราคนที่มีความกระตังอยู่กะตวเวทีนี้จะแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นคนดีถ้าใคร รู้ว่าเราเป็นคนที่มีความกระตันอยู่กาตะเวทีเขาจะไม่รังเกียจที่จะคบค้าสมาคมกับเราและถ้ามีมีเหตุมีความจำเป็นที่เขาจะต้องช่วยเหลือเราทาคุณทาประโยชน์อะไรให้กับเราเขาก็จะยินดีทำให้กับเราเพราะเขารู้ว่าเราเป็นคนที่ไม่ดื่มบุญคนคนนั่นเอง อันนี้เป็นหลักสาคัญของการอยู่ร่วมกันของของมนุษย์มนุษย์เรานี่เป็นเป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่ในสังคมคือต้องพึ่งพาสายกันละกันเราไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวเดียวได้ได้ตามลำพังเราต้องพึ่งพาสายกันเหมือนสุภาษิตโบราณที่พูดไว้ว่า น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าพวกเราทุกคนนี้จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาสายกันไม่วันใดก็วันหนึ่งแล้วถ้าต่างฝ่ายต่างให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันสังคมก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่กันอยู่อย่างสุขอย่างเจริญอันนี้แหละที่มาของความกตัญญูกตวเวทีที่ พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนให้ชาวพุทธเรานี้มีติดตัวไว้กับใจของตนเสมอโดยตัวพระองค์เองนั้นก็ได้สแสดงเป็นตัวอย่างเรื่องของความกตัญญูกตวเวทีเช่นหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสรตวเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงเร่งยานหา พระพุทธมารดาผู้ที่ได้จากโลกนี้ไปตั้งแต่ตอนที่ได้คลอดเจ้าชายสิท ธ, ธัตถออกมาเจดวันก็เสด็จสวรรคตไปสิ้นพระชนไปไม่ได้มีโอกาสได้เลี้ยงดูเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมอบเป็นภาระของน้องสาวเป็นแม่เลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะมา แต่ถึงแม้ว่าแม่ที่ให้กาเนิดนี้ไม่ได้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะมาแต่ความสานึกในบุญคุณที่ให้กาเนิดของแม่นี้ทำให้สิ่งแรกที่เจ้าชายสิทธัตถะลำลกถึงก็คือพระคุณของแม่ที่ให้กาเนิดและความปรารถนาที่จะทดแทนบุญคุณให้แก่แม่ ถึงแม้ว่าจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ยังสามารถที่จะตอบแทนพระคุณได้เนื่องจากว่าพระพุทธมารดาทั้นได้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นเทพที่สามารถติดต่อกันได้ด้วยพลังจิตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงทรงอย่างพลังจิตขององค์ค้นหา จนได้พบกับพระพุทธมารดาเลยได้มีโอกาสได้แสดงธรรมโปรดพุทธมารดาตลอดระยะเวลาหนึ่งพันษาด้วยกันจนทำให้พุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระสูดาบัน พอได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นหนึ่งแล้ว<ม>ก็จะพ้นจากอบายจะไม่มีวันที่จะไปเกิดในอบายอีกต่อไปและสามารถที่จะปฏิบัติเองต่อไปให้จนถึงพระนิพพานได้นี่นี่คือการตอบแทนพระคุณของบิดของมารดาของพระพุทธเจ้าด้วยการ สอนให้พุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายในเบื้องต้นแล้วถ้าปฏิบัติทาต่อไปก็จะสามารถหลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในใจพบได้อย่างถาวร ไม่ว่าใครก็ตามถ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วจะดำเนินไปได้ด้วยตนเองต่อไปถึงแม้จะไม่มีครูบาอาจารย์มาคอยสั่งสอนให้ก็ตามความรู้ที่ได้ในระดับพระโสดาบันนี้เป็นความรู้พื้นฐานที่พอที่จะผลักดันให้จิตใจนี้ได้ก้าวขึ้นสู่ธรรมระดับสูงขึ้นไปตามลำดับได้ จนถึงขั้ น, น, นพระนิพพานพระพุทธเจ้าจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปแสดงทำขั้นสูงต่อไปหลังจากที่โปรดให้ได้บรรลุเป็นพระสูตดาวันแล้วก็ถือว่าทำหน้าที่ของบุตรได้อย่างสมบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าบุญคุณของบิดามานานี้มีมากมหาศาล ไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่าได้ในโลกนี้และการทดแทนบุญคุณานาไหนก็ตามก็ยังจะไม่สามารถทดแทนบุญคุณของบิดามารดาให้หมดได้ยกเว้นว่าถ้าสามารถทําให้ท่านได้พ้นจากก บ, บายให้พ้นจากกบายก็คือให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคล ขั้นที่หนึ่งขึ้นไปนั่นเองคือเป็นท่านพระโสโดาบันแล้วถ้ายัางไม่ได้ทําถึงขั้นนี้ต่อให้เราเลี้ยงดูบิดามารดาไปจนมันตายแบกท่านไว้บนบาบนไหลให้ท่านอุจจาระปัสวะสายร่างกายเราพราะคุณที่เราตอบแทนก็ยังไม่หมดนคุณคุณที่ท่านให้กับเรานี้เราก็ยังตอบแทนไม่หมดน แต่ถ้าจะตอบแทนให้หมดนี้เราก็ต้องตอบแทนด้วยการทำให้ท่านได้พ้นจากบายถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ถ้าเราสามารถที่จะไปศึกษาปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้เราก็จะสามารถสอนบิดามารดาให้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ เช่นเดียวกันเดี๋ยว่าถ้าท่านจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราบรรลุธรรมแล้วแล้วเรามีพลังจิตมีอภิญญาเหมือนกับพระพุทธเจ้าเราก็ยังสามารถที่จะติดต่อกับมารดาบิดาของเราได้สามารถสอนธรรมะให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ แต่ถ้าสมมติว่าเรายังไม่อยู่ถึงท่านนั้นเรายังไม่ได้บรรลุเป็นโสดาบันยังไม่รู้วิธีการบรรลุของโสดาบันว่าเป็นอย่างไรอย่างน้อยเราก็รู้วิธีการทำบุญทำทานเราก็สามารถอุทิศบุญที่เราไดจากการทาบุญทาทานของเราส่งไปให้กับวิดามานดา ถ้าท่านล่วงลับไปแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการตอบแทนของท่านผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาหากท่านตายจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่เรายังทําให้กับท่านได้ก็คือการอุทิศ ส, ส่วนบุญบุญที่เราทํานี้เราสามารถแบ่งส่วนหนึ่งส่งไปให้กับท่านได้เพื่อที่ท่านจะได้ใช้บุญนี้พาจิตใจของท่านให้ขึ้นสู่ ที่สูงต่อไปได้แต่ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะคอยดูแลท่านให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายถ้าท่านยังดูแลตัวท่านเองได้อยู่ก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรมากแต่ถ้าท่านอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของลูกๆทุกคน ที่จะต้องช่วยกันดูแลให้บิดามารดาอยู่อย่างสุขอย่างสบายการได้เลี้ยงดูบิดามารดานี้ท่านเปรียบเทียบว่าเท่ากับการได้อุปถาม์พระอาหารหันต์พระพรหมพระอาหารหันต์เพราะพ่อแม่ของลูกนี้มีพระคุณเท่ากับพระพรหมพระอาหารหันต์ต่อลู ก, ลก การได้ดูแลเลี้ยงดูบิดามารดาการได้ตอบแทนบุญคุณของบิดามารดานี้เป็นบุญอย่างมากเป็นบุญที่จะทำให้ลูกๆนี้มีจิตใจที่สูงขึ้นที่ดีขึ้นที่มีความสุขมากขึ้นั okay. ก่อนที่เราจะออกไปทำบุญกับพระอริยบุคคลนอกบ้านอย่าลืม ทำบุญกับพระอริยบุคคลภายในบ้านของเราก่อนดูแลมีดามาดาให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายประพฤติตัวเราเองไม่ให้ท่านต้องมาวิตกกังวลห่วงใยกับการกระทําต่างๆของเราด้วยการประพฤติตัวเราให้เป็นคนดีนั่นเองถ้าเราทำตัวให้เราเป็นคนดีไม่ไม่มไม่ ไ, ม ไ, มไปมี โทษมีอะไรไม่ไปติดคุกติดตารางหรือไม่ไปทําร้ายตัวตนเองด้วยพฤติกรรมที่ไม่ดีต่างๆเช่นการเสพอบายะมุกการเล่นการพนันการดื่มชวลายาเมาการเที่ยวเตะตา ม, ามค่ำคืนตามสถานที่บันเทิงต่างๆหรือความเเกียดชันในหน้าที่การงานทั้งหลาย ถ้าเราไม่ทำตัวเราให้ยุ่งเกี่ยวกับบายยมุกหรือไม่ไปทำบาปทำกรรมต่างๆพ่อแม่เขาก็จะมีความสบายใจเวลาที่เราที่เขาเห็นเราเขารู้ว่าเราปลอดภัยจากโทษอะไรต่างๆก็จะทำให้เขานั้นมีความสุขการตอบแทนบุญคุณให้กับบิดามาดานี้ ก็มีหลายวิธีด้วยกันเลี้ยงดูท่านถ้าท่านขาดแคลนสิ่งต่างๆถ้าท่านไม่ขาดแคลนก็ประพฤติตัวเราให้ดีให้เหมาะสมไม่ให้เกิดโทษเกิดภัยกับตัวเราเองก็จะทําให้พ่อแม่นั้นมีความสุขที่เห็นเราอยู่อย่างมีความสุขอ น, นี่คือสิ่งต่างๆ ที่เราควรจะกระทากันถ้าเราอยากจะตอบแทนบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของบิดามารดาถ้าเราอยากจะตอบแทนท่านสูงสุดคือการท่านของการทำให้ท่านได้พ้นจากบายเราก็ต้องศึกษาปฏิบัติพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อเรียนรู้วิธีที่จะกําจัดหรือปิดกั้นอบายไม่ให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราให้ได้ก่อนเมื่อเราได้ศึกษาเรียนรู้วิธีแดะนําไปสู่การปฏิบัติจนสามารถปิดกั้นอบายได้แล้วเราก็สามารถที่จะนําความรู้อันนี้ไปมอบให้กับบิดามารดาได้ เจนพระพุทธเจ้าก็ได้ไปสอนพระพุทธบิดาเจดวันก่อนจะเสด็จสวรรคตก่อนจะตายเจ็ดวันประชวนนอนอยู่บนเตียงพระพุทธเจ้าก็ไปทรงสอนวิธียกระดับจิตจากปุถุชนให้ขึ้นสู่ระดับของพระอริยบุคคลถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอรหันต์ได้ทําให้พุทธบิดานี้ หลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเ <c> ว <oughs> ียนว่ายตายเกิดได้เพราะสามารถบรรลุทาขั้นสูงสุดคือบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เจ็ดวันก่อนที่จะเสด็จพรนณคตจากโลกนี้ไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนถ้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะ ตอบแทนพระบุญคุณของบิดามารดาหรือของผู้มีก็คุณทั้งหลายและเพื่อนร่วมโลกที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรามีพระพุทธศาสนาที่จะบอกวิธีบอกทางของการหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพได้ เพียงแต่เราต้องมีความยินดีมีความสนใจที่จะศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระาอาริยสงฆ์สาวกทั้งหลายแล้วนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติอย่างเต็มที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติตามคำสอนทุกประการเรียกว่าอุชุปฏิปันโน ปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์เพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่ายายะปฏิปันโนและปฏิบัติด้วยความถูกต้องคือสามีจิปฏิปันโนถ้าเราสามารถปฏิบัติทำในสี่ลักษณะนี้ได้ ผลที่จะปรากฏตามมาก็คือการบรรลุธรรมอริยธรรมขั้นต่างๆเริ่มต้นที่โสดาบันไปสู่สกิรดาคามีอาณาคามีและอรหันและพันิิพานได้อย่างแน่นอนเพราะธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ปิดกั้นใครทั้งนั้นทุกๆคนนี้สามารถที่จะปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดได้ด้วยกันทุกคนเพราะทุกคนมีสิ่งที่ต้องใช้ในการบรรลุธรรมขั้นเหล่านี้ mm. ก็คือมีจิตใจมีผู้รู้ เ, เป็นมีผู้รู้ผู้คิดถ้ามีผู้รู้ผู้คิดก็สามารถไปเรียนรู้ไปศึกษาเพื่อให้คิดไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ เมื่อคิดไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องเมื่อดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องในที่สุดก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องคือจุดหมายที่ปราศจากความทุกข์จุดหมายที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนที่มีจิตใจที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้สามารถที่จะ ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าและบรรลุผลของธรรมเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในสมัยพระพุทธกาลนี้มีผู้ที่มีจิตศรัทธามีผู้ที่น้อมผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจนบรรลุถึงธรรมขั้นขั้นสูงสุดได้นี่มีทุกเพศทุกวัยมีทั้งหญิงมีทั้งชาย มีทั้งคารวะทูกคลองเรือนมีทั้งนักบวชมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเศรษฐีมีทั้งคนจนมีทั้งพระราชามาหากษัตริย์และคนธรรมดาสามัญสสาภาพเหล่านี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการที่จะบรรลุธรรมสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคก็คือความไม่เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ถ้าไม่มีศรัทธา ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วการที่จะให้ความสนใจศึกษาก็จะไม่มีเช่นคิดว่าคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นโมฆะเป็นคำสั่งคำสอนที่ไม่มีผลอะไรตามมาเพราะถ้าคนที่คิดอย่างนี้มักจะคิดว่าก็มีแต่ร่างกายนี้เท่านั้นถ้าร่างกายนี้ตายไปแล้ว จะไปสวรรค์ไปนิพพานได้อย่างไรถ้ามีความคิดแบบนี้คิดว่าถ้าตายแล้วศูนย์ก็จะไม่มีศรัทธาความเชื่อในเรื่องของการที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เพราะเห็นว่าปฏิบัติไปแล้วไม่มีใครไปรับผลนั่นเองเพราะผู้ที่ปฏิบัติคือร่างกาย แล้วไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ก็จะต้องดับไปต้องตายไปแล้วใครเล่าไปรับผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นนรกหรือสวรรค์ก็ตามหรือเป็นมักผลนิพพานก็ตามหรือเป็นพระนิพพานก็ตามเมื่อร่างกายตายไปแล้วใครจะไปรับผลเหล่านี้เขาก็คิดว่าตายแล้วสูญเมื่อตายแล้วสูญจะมาศึกษามาปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำไมเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะสอนให้เราออกจากการหาความสุขทางราบยศสารเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองซึ่งเป็นความสุขที่เราเห็นกันจับต้องได้สามารถที่จะหากันได้แล้วอยู่ดีๆก็จะมาบอกว่าอยากไปหาความสุขแบบนี้ให้มาหาความสุขจากการ ทำบุญทำทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาจิตตภาวนาคือสมถาภาวนาทาจิตใจให้สงบวิปัสนาภาวนาสอนใจให้ฉลาดเพื่อจะได้พบกับความสุขที่เป็นความสุขที่สูงสุดคือความสุขของพระนิพพานอันนี้ผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องของจิตใจ ก็จะไม่ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ที่จะไปรับผลเหล่านี้ก็จะไม่มีความสนใจที่จะมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อมาสวางหาความสุขความหลุดพ้นทางด้านจิตใจกันก็จะคิดแต่การหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆกัน อันนี้เป็นสิ่งที่ถ้ายังไม่เข้าใจถึงเรื่องจิตใจว่านอกจากร่างกายแล้วเรายังมีอีกเครื่องหนึ่งที่เรามองไม่เห็นกันเครื่องที่เรามองไม่เห็นนี้คือจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี่แหละผู้ที่เป็นเจ้านายของส่วนที่เราเห็นกันคือร่างกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะสั่งการให้จิตใจจิตใจสั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆให้ทำบุญให้ทำบาปให้ไปหาราบยศสรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายหรือให้ไปทำบุญทำทานให้ไปรักษาศีลให้ไปบำเพญ็ญจิตตภาวนาใจนี่แหละเป็นผู้สั่งการ และใจนี่แหละจะเป็นผู้ที่รับผลของการสั่งการของการกระทำเหล่านี้ถ้าสั่งให้ไปหาลาบยศสรเสริญไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้าต่างๆก็จะได้ความสุขปลอมเพราะความสุขที่ได้จาลาบยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ น, นี้เป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ ได้แล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วเหมือนควันไฟควันไฟนี้ถ้าเราจุดทูบขึ้นมาแล้วดูควันไฟที่ลอยออกจากทูบมันก็จะลอยขึ้นฟ้าไปแล้วก็จางหายไปความสุขที่เราได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นลักษณะนั้นได้อะไรมาแล้วเราดีใจเดียวเดียวแล้วมันก็หายไป ได้เงินมาก้อนหนึ่งก็ดีใจไปพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็หายไปต้องอยากได้เพิ่มขึ้นอยากได้มากขึ้นได้ยศได้ตำแหน่งก็เช่นเดียวกันได้เป็นนายสิบก็อยากจะเป็นนายร้อยได้เป็นนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพันอยากจะเป็นนายหมื่นนายพลอยากจะขึ้นไปเรื่อยเพราะว่าได้เท่าไหร่มันก็ไม่รู้สึกพอสักทีความสุขมันหายไป มันได้ความสุขเดียวเดียวตอนที่ได้มาใหม่ๆหลังจากเลี้ยงฉลองกันไปสักพักระยะหนึ่งแล้วความสุขที่ได้จากสิ่งที่เราได้มามันก็หายไปหมดพอมันหายไปมันก็ปล่อยให้ใจเราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวไม่มีความสุขก็เลยจาเป็นที่จะต้องไปหาใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วถ้าหาไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจขึ้นมา แล้วถ้าสิ่งที่เราได้มาถ้าเกิดมันหายไปมันหมดไปก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันนี่คือลักษณะของความสุขที่เราจะได้รับจากการแสวงหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะมาให้ความสุขกับเราหาไปเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องหาอยู่เรื่อยๆ แล้วถ้าเกิดมีอุปสรรคไม่สามารถหาได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาพวกเราทุกคนคงจะเห็นกันแล้วในช่วงระยะปีสองปีที่ผ่านมาช่วงที่มีโรคระบาดแรกๆนี้ทางการต้องประกาศห้ามออกจากบ้านเลยห้ามออกไปหาราบยศสเสริญหารูปศียงกิ่นรสกันต้องกักขังตัวเองอยู่ในบ้านแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างเวลาที่ไม่สามารถที่จะไปหา ความสุขจากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดได้ก็ อ, อยู่กันแบบหนุดเกิยจอยู่กันแบบเครียดอยู่กันแบบไม่มีสุขไม่มีความสุขกันเลยนี่แหละคือผลที่จะตามมาถ้าเราไปหาความสุขจากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรดเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่แน่นอนบางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้บางทีได้มาแล้วก็เสียไปก็มี เวลาได้ก็ดีใจเสียไปก็เสียใจได้มาดีใจก็เดี๋ยวเดียวอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นอีกไปเรื่อยๆแล้วเครื่องมือที่เราใช้ในการหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงขีนลดก็เป็นของไม่ไม่ถาวรเช่นเดียวกันเป็นของที่จะต้องเสื่อมไปตามการตามเวลาร่างกายของเราต่อไปก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆความสามารถในการที่จะใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือห า, าลาภยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดจะไม่สามารถหาได้ไม่ช้าก็เร็วบางคนก็โชคร้ายไปประสบอุบัติเหตุหรือไปเจอโรคภัยไข้เจ็บที่ทำให้เป็นอมัมพฤกอัมาพาตขึ้นมาไม่สามารถที่จะเดินเหินทำอะไรได้ด้วยตัเองต้องอาศัยผู้อื่นคอยช่วยประครับประคอง ตอนนั้นแหละความสุขที่ได้จากลาบยสาศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่สามารถที่จะไปหามันได้อีกต่อไปนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจผู้ที่สั่งให้ร่างกายไปหาลาบยสาศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะไม่รู้ว่า มีจิตใจผู้ที่เป็นผู้ที่รับผลของการกระทำเหล่านี้คิดว่าผู้ที่รับผลเป็นเพียงร่างกายเพียงส่วนเดียวก็คิดว่าอย่างมากก็ตายตายแล้วก็จะจบถ้าเจออุปสรรคไม่สามารถที่จะหาความสุขได้เป็นอมภพกอมภาะก็ฆ่าตัวตายไปซะเลยมันก็จะจบปัญหาเพียงแค่กระสนนัดเดียวมันก็แก้ปัญหาได้หมด แต่มันไม่ได้แก้หรอกเพราะว่าการกระทําทิ้งต่างๆเหล่านี้มันก็ส่งผลให้กับใจนี่แหละใจเป็นผู้กระทําเป็นผู้คิดการกระทําคิดฆ่าตัวตายใจก็จะต้องเป็นรับผลของการฆ่าตัวตายมันก็จะติดเป็นนิสัยไปแล้วมันก็เวลาไปเกิดใหม่ก็จะไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดผลธพภาพใหม่ แล้วพอมีอุปสรรคไม่สามารถหาได้ก็จะคิดฆ่าตัวตายใหม่มันก็จะติดอยู่ในวงจร อ, อุบาทนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะนี่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาเพราะปัญหาอยู่ที่ใจความทุกข์อยู่ที่ใจความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายปัญหานี้เกิดจากความไม่เชื่อว่าเรามี จิตใจด้วยไม่ใช่มีเพียงแต่ร่างกายน่าจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจนี้เป็นผู้ที่จะไปรับผลต่อไปหลังจากที่รับผลตั้งแต่ที่สั่งการให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆรับความสุขรับความทุกข์ถ้าไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกยลิ่นแล้วก็ไปหาความสุขอพร้อมกับ ความทุกข์ที่ตามมาอันนี้ถ้าเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่สนใจที่จะมาศึกษาหาวิธีที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราหาความสุขกันแต่ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราเกิดในครอบครัวที่มีความเชื่ออยู่แล้ว เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ได้รับการสั่งสอนให้เราเชื่อตามถ้าเรามีความเชื่อเราก็จะได้ศึกษาแล้วก็นำเอาสิ่งที่เราได้ศึกษามาปฏิบัติเราก็จะได้ไปพบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งเป็นความสุขที่แน่นอนเป็นความสุขที่ไม่ไม่มีโทษไม่มีความทุกข์ตามมา จะเป็นความสุขที่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นความสุขที่สูงสุดเป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจของพวกเราอันนี้ต้องเกิดจากความมีศรัทธาความเชื่อถ้าเราไม่ได้เกิดในครอบครัวที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่เราอาจจะได้พบกับคนที่เขานับถือศาสนาแล้วเราได้คุยได้สนทนากันเขาก็อาจจะ เสนอมุมองอีกมุมมองหนึ่งให้เราได้ได้ไปพิจารณาถ้าเราไปพิจารณาเราก็อาจจะเชื่อเขาก็ได้ว่าชีวิตเหล่นั้นไม่มีเพียงแต่ร่างกายเพียงส่วนเดียวเรายังมีอีกส่วนหนึ่งที่เรามองไม่เห็นกันแต่เป็นส่วนที่สําคัญของชีวิตของเราเป็นส่วนที่รับความสุขรับความทุกข์จากการกระทําของเราและเป็นผู้ที่จะไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เป็นผู้ที่จะรับผลของการกระทาของเราต่อไปเพราะผลจากการกระทาของเราที่เราได้รับในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้เป็นเพียงเสี่ยวเดียวเท่านั้นเองยังมีอีกเยอะที่เราจะต้องรับผลต่อหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้ว <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราจะต้องมี ให้เกิดขึ้นให้ได้คือถ้าเราไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเราก็ควรที่จะขวนขวายศึกษาดูว่า พ, พุทธศาสนานี้เป็นอย่างไรทําไมจึงมีคนนับถือกันมากมายทําไมเราไม่นับถือบ้างเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องของศาสนาหรือเปล่าเช่นบางทีเราไม่รู้เรื่องของดี ที่บางทีถ้าเราไม่เคยได้ยินเรื่องของเพชรินจินดานี้เราเห็นขึ้นมาเราก็อาจจะคิดว่าเป็นแค่ก้อนหินก้อนกวดก้อนทรายไม่เห็นมีคุณค่าราคาตรงไหนแต่ถ้าเราได้ไปคุยได้ไปพบกับคนที่เขาเู่เรื่องของเพชรพลอยต่างๆเขาว่ามีคุณค่าราคาอย่างไรสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินทองได้อย่างมากมายมันก็จะทำให้เรามีศรัทธา ในเรื่องของเพชรของพลอยขึ้นมาทันทีศาสนาของเราพระพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกันพระพุทธศาสนานี้เป็นเหมือนเพชรพลอยที่เราต้องศึกษาให้รู้ถึงคุณค่าของเพชรพลอยว่ามีคุณค่าอย่างไรถ้าเรารู้แล้วว่าศาสนาพวธนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรพลอยเสอีกที่เราเรียกพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ว่าพระรัตนาตรนี้ ลัตตนาคืออันยน่ำมีอันล้ำค่าล้ำค่ายิ่งกว่าเพชรพชชลอยต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คุณค่าของพระรัตนาตายนี้หาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยเพราะสิ่งที่พระรัตนาตายนี้จะให้กับเราได้นี้มันเหนือกว่าสิ่งต่างๆที่เราจะได้จากจากสิ่งต่างๆคือความสุขที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นเงินทองกองเท่าภูเขาไม่ว่าจะเป็นยศตำแหน่งสูงส่งขนาดไหนรางวัลยิ่งใหญ่ขนาดไหนรูปเสียงกลิ่นรสที่พิสดารที่ละเอียดมากมายขนาดไหนก็ตามจะไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้เหมือนกับความสุขที่เราจะได้จากพระรัตนตรัยเลยคือความสุขที่ได้จากการบรรลุธรรมขั้นต่างๆตามลำดับไปอันนี้ คือสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องขวนขวายและศึกษาให้เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยให้ได้ให้เห็นว่าเป็นอัญญามณีอันล้าค่ามีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรเม็ดเท่ากัำปั้นก็ตามท่านใครมีเพชรเมล็ดเท่ากัำปั้นนี่ท้าองค์จะบอกว่ามีราคาเป็นหลายพันล้านด้วยกัน ก, รกรต็ต่าย แต่ราคาหลายพันล้านนี้ไม่สามารถซื้อความสุขจากของพระรัตนาตรัยได้ความสุขที่พระรัตนาตายให้กับความสุขที่เราจะได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้เหมือนฟ้ากับดินความสุกระดับฟ้ากับระดับดินนี่คือสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้กัน แล้วก็อาจจะไม่รู้เลยก็ได้ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาในทางใดทางหนึ่งจากครอบครัวก็ได้สมัยก่อนพวกเราโชคดี่วกสมัยที่เราเป็นเด็กๆนี้ทางรัฐบาลยังบัรนจุพระพุทธศาสนาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่สอนให้เราได้รู้จักคุณค่าของพระพุทธศาสนาว่ามีคุณค่ามาหาศาลอย่างใด แต่ยายุคนี้สมัยนี้ความคิดเปลี่ยนไปความเห็นเปลี่ยนไปกลับเห็นศาสนาเป็นเหมือนกองขยะไปไม่รู้เรียนไปทำไมเรียนแล้วทำให้งมงายทวงความเจริญทางด้านวัตถุทวงความเจริญทางราบยศสรรเสริญก็เลยตัดออกไปจากหลักสูตรการเรียนการสอนในสมัยนี้ คนสมัยนี้เด็กสมัยนี้จึงไม่รู้จักคุณค่าของพระรัตนตรัยกันไม่รู้จักอัญญมณีอัญล้มข้าที่มีคนมีประโยชน์กับจิตใจของตนอย่างไรเลยกลับไปเห็นคุณค่าของวัตถุต่างๆของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ไปแสวงหาความสุขเหล่านี้ในช่วงที่ยาววัยนี้ก็ สามารถแววงหาได้กันก็จะหลงละเลงกันคิดว่าเป็นความสุขที่แท้จริงแต่วันใดวันหนึ่งเมื่อไปเจอกับอุปสรรคไปเจอกับปัญหาก็จะน้ําตาตกานได้วันใดวันหนึ่งที่ร่างกายเป็นอะไรไปหรือกิจการล้มพับลงไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งอันนั้นวันนั้นแหละที่ก็จะเห็นโทษของการที่จะไปหา สิ่งต่างๆเหล่านี้มาให้ความสุขแต่ก็จะไม่เข็ดเพราะจะไม่รู้ว่ามีทางออกที่ดีกว่านี้ก็ยังจะกลับไปหาแบบเดิมอยู่ล้มละลายก็ต้องยกตัวฟื้นขึ้นมาให้ได้เพื่อตั้งตัวใหม่ให้ได้เพื่อสร้างฐานะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ให้ได้สร้างไปเท่าไหร่มันก็ให้ความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วก็ยังต้องมาทุกข์มากังวลต่อไป เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วเครื่องมือที่เราใช้สร้างฐานะต่างๆนี้มันก็จะเสื่อมไปหมดไปในบ้านปลายของชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่ซึมเศร้าเป็นชีวิตที่ว้าเหวเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขเพราะไปหาความทุกข์กันนั่นเองโดยความเข้าใจผิดด้วยความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นว่าความสุข จากราบยศสารเสลดจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นความสุขที่แท้จริงนั่เองส่วนผู้ที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้เรียนรู้ว่ามีความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ท่งค้นพบนี่เองความสุขที่การหาความสุขจากการทำใจให้สงบ ด้วยวิธีการต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาการทําใจให้สงบนี้จะทําให้ใจเกิดความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงการที่จะทําใจให้สงบได้นี้ก็มีการทําเป็นขั้นเป็นตอนไปทรงแบกไว้สามขั้นสามระดับด้วยกันขั้นแรกก็เรียกว่าทานขั้นที่สองก็เรียกว่าศีล ขั้นที่สมเขาเรียกว่าภาวนาถ้าสามารถปฏิบัติทานศีลภาวนาตามลาดับขั้นไปได้ก็จะพบกับความสงบมากขึ้นไปตามลาดับเบื้องต้นเราก็ต้องทาขั้นที่ง่ายก่อนขั้นที่ง่ายที่สุดก็คือขั้นทาทานคือการเสียสละแบ่งปันสิ่งของเท่าของเงินทองที่เรามีเกินความจาเป็น ที่เราไม่จําเป็นจะต้องมีก็ได้ไม่เดือดร้อนอันไหนถ้าเรามีมากเกินไปนี้เราสามารถเอามาทําทานมาทําให้ใจเราเย็นนงให้ใจเรามีความสุขขึ้นมาได้เช่นถ้าเรามีเสื้อผ้ามากเกินไปเก็บไว้เราก็ไม่ได้ใช้เอาไปจ่ายไปแจกให้คนยากจนก็ได้คนที่เขาไม่มีเสื้อผ้าได้ใส่ให้เขาได้มีเสื้อผ้าได้สายบ้าง มีของอะไรที่มันเยอะเกินไปเก็บไว้ก็ลกรุงหนังในบ้านเก็บไว้ทำไมกลายเป็นภาระต้องคอยดูแลรักษาต้องหาที่มาคอยมาเก็บแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้ของศูยรเกินเหล่านี้เนี่ยเป็นของที่เราสามารถมาทำใจให้เราให้สงบให้เย็นลงได้เพราะมันจะเป็นการลดความโลภความอยากได้ในสิ่งของต่างๆนั่นเอง ถ้าเราไม่ให้เลยเนี่ยเราก็มีแต่อยากจะได้อยู่เรื่อยๆ เ, เห็นอะไรสวยเห็นอะไรงามโอ๊ยอยากได้เห็นเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ร้านอยากได้เห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นเครื่องประดับเห็นอะไรต่างๆปั๊บเห็นแล้วอยากจะได้พออยากแล้วใจมันร้อนขึ้นมาใจมันทุกข์แล้วการที่จะบำบัดระบายความร้อนความทุกข์ก็ต้องไปซื้อของที่เราอยากได้เทานั้นได้มาแล้วทาไง ได้มาแล้วก็อามาเก็บไว้นั่นแหละใส่เอามาใช้แค่ครั้งสองครั้งแล้วก็เก็บไวล้ละเพราะต้องไปซื้อของใหม่มาใช้อีกแล้วเพราะเดี๋ยวออกไปข้างนอกบ้านไปเห็นของใหม่รุ่นใหม่ออกมาแล้ก็ต้องซื้ออยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเกิดวันดีคืนดีไม่มีเงินทองจะซื้อก็จะเดือดร้อนก็จะต้องซื้อเงินผ่อนบ้างเป็นหนี้เป็นสินบ้างเพอาะเป็นหนี้ก็ลาบากนะ ว, วิตกกังวลเกี่ับการต้องใช้หนี้ใช้สินอือ วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ก็ต้องคือต้องลดความอยากในสิ่งจะซื้อของที่ไม่จําเป็นกันวิธีที่จะลดการไม่ซื้อของที่จําเป็นก็คือต้องสละของที่ไม่จําเป็นออกไปของอะไนที่ไม่จําเป็นเอาไปแจกจ่ายกันเอาไปบวยจากใครที่ขาดแคลนก็ให้เขาไปให้เขาได้มีเสื้อผ้าได้ใสให้เขามีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรไป ให้ใครก็ได้แล้วแต่เราจะให้ให้กับคนที่เราลักเราชอบก่อนก็ได้ให้กับเพื่อนให้กับฝูงก็ได้หรือให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากขาดแคลนก็ได้ขอให้มันให้ออกไปจากจากตัวของเราเถิดอย่าให้เราอยู่กับของที่มันเกินความจำเป็นเลยแล้วเราจะเริ่มเริ่มมีนิสัยที่จะไม่อยากจะมีของที่ไม่จำเป็นต่อไปต่อไปเวลาเราเห็นอะไรตามร้านที่สวยที่งาม เวลาเราอยากได้นี่เราจะถามตัวเราเองว่าจำเป็นหรือเปล่าไม่จำเป็นซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านเดี๋ยวก็ต้องเอาไประบายให้คนอื่นอยู่ดีซื้ อ, อยาไปซื้อมาดีกว่าแล้วการซื้อก็ต้องเสียเงินเสียทองเงินทองก็ไม่ใช่เป็นเหมือนน้ำฝนที่จะตกลงมาแล้วก็ลองลองเก็บเอาไว้ใช้ได้มันเป็นเงินทองที่จะต้องหาด้วยเงียหยาดเหงือ่อด้วยความยากลาบาก แล้วก็มาหมดไปแบบง่ายๆหมดไปเพราะถูกความอยากซื้อของไม่จำเป็นเาปป้นเอาไปเราต้องหยุดโจรตัวนี้ให้ได้เนี่ยเราถูกโจรต้นทุกวันเลยโดยไม่รู้สึกตัวโจรที่มาหลอกให้เราไปซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆแล้วก็คิดว่าเราได้ของเหล่านี้มาแล้วจะให้เรามีความสุขมันก็เป็นความสุขชั่วเดียวเดียวชั่ววันสองวันพอออกไปข้างนอกไปเจอของใหม่ขึ้นมา ขอ ง, ของเก่าที่เราซื้อมานี่มันไม่ให้ความสุขกับเราเียแล้วถ้ามันให้ความสุขเราก็ไม่ต้องไปซื้อของใหม่ให้เสียเวลาที่เราไปซื้อของใหม่ก็เพราะว่าของเก่ามันไม่ให้ความสุขกับเราแล้วของใหม่ที่เราซื้อมามันก็จะกลายเป็นของเก่าไปทันทีหลังจากที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราถูกหลอกโดยไม่รู้สึกตัวพระพุทธเจ้าจึ ง, องอสอนให้เราแก้การถูกหลอกการถูกจนนโจรปล้นเนี่ยโจรที่ปล้นเราก็คือความอยากซื้อของฟุ่มเฟือย ซื้อของไม่จำเป็นต่างๆด้วยการเอาของที่ฟุ่มเฟือยของที่ไม่จำเป็นที่เรามีอยู่เหลือเฟือนี้เอาไปให้คู่อื่นก่อนเอาไปทำทานก่อนเอาไปบริจาคเพื่อที่เราจะได้ฝึกนิสัยใช้แต่สิ่งที่จำเป็นมีแต่สิ่งที่จำเป็นถ้าสิ่งที่ไม่จำเป็นเราจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อมาให้เสียเงินเสียทองไปเปล่า แล้วใจของเราก็จะเย็นสบายต่อไปเวลาเราไปเดินตามร้านไปซื้อข้าวซื้อของที่จาเป็นเปเห็นของที่ไม่จำเป็นแล้วก็เฉยเฉยไปเรามาซื้อกับข้าวกับปลามันจาเป็นแต่ไปเจอกระเป๋าเจอรองเท้ารุ่นใหม่เจออะไรรุ่นใหม่ออกมาก็เฉยเฉยไปฉันมีพอแล้วรองเท้าก็มีใส่แล้วเสื้อผ้าก็มีใส่แล้วจะเอาไปทำไมมันไม่ได้ทำให้เราวิเศษขึ้นความสุขที่ได้จากมันก็เดียวเดียว พอมันมาเป็นของเราปั๊บเมื่อไหร่แล้วมันก็ไม่ได้ให้ความสุขกับเวลาที่มันเป็นของของในร้านเห็นของในร้านแล้วอยากได้คิดว่าได้มาแล้วจะให้ความสุขกับเราแต่เห็นของในตู้ในบ้านเราเห็นยังไงก็ไม่รู้สึกมีความสุขเลยนี่แหละเราถูกหลอกถูกโจรต้นโจรที่ต้นเราก็คือความอยากซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆความอยากซื้อของที่ไม่จาเป็นต่างๆหรือแม้แต่การไปเที่ยวก็แบบเดียวกัน ไปเที่ยวมันก็ได้ความสุขแค่เดียวเดียวพอกลับมามันก็หายไปหมดทำให้เราติดเที่ยวเวลาไม่ได้ออกนอกบ้านไปเที่ยวอยู่บ้านก็งดหงิดนํำคาญใจเศร้ า, ซ, าซ้อยงอยเหงาเนี่วิธีแก้ก็คือต้องหยุดการใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยการเอาเงินทองนี้ไปทาบุญทงทางหรือเก็บเอาไว้ก็ได้ถ้าเรามีของที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ ก็เอาของที่ไม่จำเป็นที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้นี้เอาไปบริจากเอาไปทาบุญทาทานแล้วตอบแล้วหลังจากนั้นเวลาเราจะซื้ออะไรเราจะได้ใช้เหตุผลว่าจำเป็นไม้มเสื้อผ้าเราพอใช้ไหมรองเท้าเราพอใช้ไหมกระเป๋าเราพอใช้ไหมถ้าเกิดมันไม่พอมันจำเป็นก็ซื้อได้แต่ถ้ามันไม่จำเป็นเราก็จะได้ไม่ซื้อ แล้วต่อไปการความกดดันที่จะทำให้เราต้องไปหาเงินหาทองมาก็จะน้อยลงไปเมื่อเราใช้ใช้น้อยเราก็หาน้อยได้ไม่ต้องเครียดกับการหาเงินหาทองเราก็จะมีความสุขอยู่กับอัตภาพของเราได้มีน้อยเราก็มีความสุขได้มีความสุขเราก็ใช้น้อยๆเหมือนเดิมเพราะเราใช้ด้วยตามความจำเป็นเราก็จะไม่ต้องเครียดกับการหาเงินหาทองมาก จะทําให้เรามีเวลาที่จะไปทําสิ่งที่ดีกว่าการทําบุญทําทานคือขั้นรักษาศีและภาวนาต่อไปพอเราไม่ต้องเสียเวลากับการหาเงินหาทองมากเราก็จะมีเวลาว่างมากขึ้นเราก็จะมีเวลาศึกษามากขึ้นพระพุทธเจ้าก็สอนว่าเมื่อเราทําทานแล้วสิ่งที่เราควรจะทำต่อไปก็คือหรือควบคู่กันไปก็คือการรักษาศี เพราะการรักษาศีลนี้จะทำให้ใจเราเย็นสบายกว่าการที่ไม่รักษาศีลเวลาทำบาปแล้วใจเราจะร้อนใจเราจะทุกข์ไม่สบายถ้าเรารักษาศีลห้าได้ไม่ไปทำบาปไม่ไปทำอะไรให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนใจเราจะเย็นใจเราจะสบายใจเราจะมีความสุขไม่ต้องวิตกกังวลกับการไปรับโทษต่างๆถ้าทำผิดศีลหรือผิดกฎหมาย ก็จะวิตกกังวลว่าจะถูกจับไปลงโทษหรือไม่แต่ถ้าไม่ทำผิดศีลผิดกฎหมายใจก็จะเย็นใจและสบายพอเราเห็นคุณค่าของการรักษาศีลทําให้ใจเราเย็นทําให้ใจเราสบายเพิ่มมากขึ้นเราก็อยากจะรักษาศีลมากขึ้นแล้วก็อยากจะรักษาศีาแลแปดดูรักษาศีลห้าแล้วได้เทา่านี้ถ้ารักษาศีลแปดจะได้ความเย็นเพิ่มมากขึ้นไปอีก และการรักษาศีลแปล ก, ก็จะเป็นศีลที่จะสนับสนุนการที่ให้เราไปปฏิบัติภาวนาเพื่อทำใจให้สงบได้อย่างเต็มร้อยให้ใจนิ่งได้อย่างเต็มร้อยได้มันก็เป็นขั้นบันไดของการศึกษาของการปฏิบัติทำเหมือนกับการเรียนหนังสือเราก็เริ่มต้นจากชั้นปฐมชั้นอนุบาลก่อนอนุบาลมันง่าย เรียนอนุบาลก่อนแล้วค่อยไปเรียนที่ยากกว่าคือชั้นประถมเรียนชั้นประถมได้ก็ไปเรียนชั้นมัธยมที่ยากขึ้นไปแล้วต่อไปก็ไปสู่ชั้นอุดมศึกษาตามลำดับได้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนวิธีาทาใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เย็นให้สุขให้สบายด้วยดวยการทำเป็นขั้นเป็นตอนให้ทำขั้นที่ง่ายก่อนคือการทาทานก่อน ทำทางก็คือให้สละแบ่งปันของที่ที่เรามีเกินความจำเป็นแต่สมมุติว่าถ้าเราไม่มีอะไรจะแจกทานให้ใครเพราะเรายากจนหรือเราอยู่แบบสัมมาทัอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องทานเราก็ไปสู่การรักษาศีลห้าศีลแปดต่อไปได้เลยอันนี้ไว้สาหรับคนที่ยังติดอยู่กับของฟุ่มเฟือยกับของที่ไม่จำเป็นต่างๆจาเป็นที่จะหยุดการหา สิ่งเหล่านี้มาเพราะมันจะทำให้เราติดอยู่ตรงกับการหาหาของฟุ่มเฟือยมาใช้แล้วจะทำให้เหล่านี้วุ่นวายใจกับการหาการดูแลรักษาการสูญเสียถ้าเราไม่มีของฟุ่มเฟือยแล้วเราก็จะได้ไม่มีปัญหาเหล่านี้เราก็จะได้มีเวลาไปสร้างความสุขความสงบที่สูงขึ้นค ว, ความสุขสงบสูงขึ้นก็คือการไปรักษาสี่ง เป็นไปอยู่วัดไปถือศีลแปดกันแล้วก็ศีลแปดนี้ก็ทำให้เราหยุดการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่หาความสุขจากร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบมีเขตไม่หาความสุขจากการบันเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการเสริมสวยความงามการใช้ของหอม ข, ของอะไรต่างๆ ไม่หาความสุขจากการหลับนอนบนเตียงอันโมโหรานเต <c oughs> ียงสำลานไม่ต้องการนอนมากเกินไปนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายถ้านอนบนพื้นแข็งๆเวลานะ่นอนจะได้ไม่สบายเกินไปพอร่างกายตื่นขึ้นมาจะได้รีบลุกขึ้นมามาสร้างความสงบให้แก่ใจด้วยการปฏิบัติสติสมาธิต่ตอไป เบื้องต้นก็ทำใจให้สงบด้วยสติก่อนนั่งสมาธินั่งสมาธิจิตสงบก็ต้องมีสติก็ต้องฝึกสติก่อนที่จะมานั่งสมาธิได้การฝึกสติก็ทำได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับด้วยการคิดถึงคำใดคำหนึ่ง mm hmm. เช่นพุโทโธพุโทโธไปภายในใจ mm hmm. เพื่อระงับความคิดต่างๆนั่นเองใจใ จ, ใจคิดแล้วใจจะไม่สงบถ้าใจหยุดคิดแล้วใจจะสงบน ถ้ามีพุโทโธพุธโทโธคอยหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆใจก็จะเย็นจะเบาจะสบายพอเวลามานั่งสมาธิหลับตาแล้วใช้พุโทโธต่อไปเดี๋ยวใจก็จะนิ่งเต็มที่เจ๊ใจก็จะพบกับความสงบเต็มร้อยจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงขึ้นมาในใจแล้วก็จะมีความสุขจากการปฏิบัติสมาธิแล้วถ้าอยากจะขึ้นระดับต่อไปขั้นสูงสุดคือขั้นปัญญา ขั้นอริยมรรคอริยผลขั้นอริยะเจ้าก็ต้องเจริญปัญญาพิจารณาตายลักเพื่อรังับความอยากต่างๆที่เป็นตัวมาคอยหลอกให้ใจไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆให้ใจกลับมาอยู่กับความสงบของสมาธิด้วยการพิจารณาตายรักเพื่อตัดความอยากต่างๆถ้าตัดความอยากต่างๆได้หมดใจก็จะสงบอย่างถาวร ใจที่สงบอย่างทาววานก็เป็นใจที่ไม่ไปเกิดเด็กต่อไปไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตไม่ไปเกิดในอบายไม่ไปเกิดเป็นเทพเป็นมนุษย์เป็นพรหมเป็นอะไรทั้งสิน้นเพราะพบภูมิเหล่านี้ล้วนเป็นพบภูมิชั่วข้าวไปถึงขั้นไหนก็ต้องเสื่อมลงมาต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อยู่เรื่อย แต่ถ้าไปถึงขั้นที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจก็จะอยู่กับความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอนันตาสาวกทั้งหลายที่ได้ศึกได้ปฏิบัติทำจิตใจให้สงบได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็นำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีความสนใจอย่างพวกเรา ถ้าวเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติตามกําลังของเราแล้วเราก็จะเจริญแก้วหน้าไปตามลําดับอย่างแน่นอนและจะถึงขั้นสูงสุดได้อย่างได้ทุกคนอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยดัยงนั้นขอให้เรามีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็พยายามศึกษาและปฏิบัติให้เต็มที่แล้วเราก็จะได้พบกับความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่เราสามารถที่จะมาแบ่ง ให้กับผู้ที่มีพรอคุณของเราได้เพื่อเราหลุดพ้นแล้วเราก็มาสอนพ่อสอนแม่ได้สอนญาติพี่น้องสอนสามีภรรยาสอนบุตรสอนธิดาได้ทําให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลายได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาการแสดงธรรมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาพออนุโมทนาให้พร ยะธาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิช oh ิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชฉาตุสัพเทปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายยโกภวะ อภิวาธานสีฤทธนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวาทาันติอายุวันโสุขังภาลาช่วงต่อไปนี้ช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะจะให้ถามช่วงเดียวหลังจากเรื่องแล้ลวก็จะไม่ ว่าต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นต้องทำต่อดังนั้นถ้าใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้จะเข้ามาถามเองก็ได้จะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือจะส่งผ่านทางมือถือทาง e b o o k youtube เข้ามาก็ได้ตอนนี้วันนี้มีคนเข้ามาเท่าไหร่ผู้ติดตามทั้งหมดค่ะวันนี้จาก Facebook 455 YouTube พรีสุชาตไลฟ์สอ YouTube d you you r V Channel 129นเนลหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าวิทยออนไลน์ผู้รับฟังหนากุติ239ร้ามสิบ3การวม1นึ่อท่านค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญอ่านได้เลยจากคุณมัลติมัลติเวอร์ซมีสองคำถามค่ะคำถามที่หนึ่ง ถ้าไม่เชื่อในพระพุทธศาสนาไม่เชื่อเรื่องกรรมกรรมจะยังคงให้ผลไหมครับไม่เชื่อเรื่องกรรมแล้วทาไมนะไม่เชื่อเรื่องกรรมและกรรมจะยังคงให้ผลไหมครับ ย, รนะยังคงให้ผลอ๋อมันเป็นมันเป็นกฎธรรมชาติอย่างฝนตกจะเชื่อมันจะตกไม่ตกมันถึงเวลามันก็ตกกฎแห่งกรรมก็อย่างเช่นเดียวกันทำบุญก็ได้ความสุขความจเจริญ ทำบาปก็ได้ความทุกข์ได้ความเสื่อมมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของมันเพียงแต่ว่ามันอาจจะช้าหรือเร็ ว, รวหรืออาจจะมองไม่เห็นก็ได้มันก็เลยทำให้คิดว่าอาจจะไม่เกิดถ้าไปมองที่ร่างกายถ้าเราไปมองผลที่ความเจริญหรือเสื่อมทางลาบยศสรรเสริญสุขนี่ก็จะมองผิดไม่เข้าใจหลักเพราะผลที่แท้จริงที่เกิดคือเกิดขึ้นที่ใจของเราใจเราเจริญก็คือสูงขึ้น จากมนุษย์ไปเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าถ้าเสื่อมลงก็ไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายอันนี้คือความสุขความเจริญและความทุกข์ความเสื่อมที่เกิดจากการทําบุญทําบาปเกิดที่จิตใจของเราไม่ได้เกิดที่ราบยศสนเสริญสุขฉะนั้นคนไม่เข้าใจเห็นคนทําบาปทําชั่วแต่ร่ํารวยกันเป็นใหญ่เป็นโตกันอันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของ ผนทางลาบยศสรรเสริญไม่ได้เรื่เรื่องของบุญของบาปคนรวยโกงเขาก็รวยได้ใช่ไหมพ้นเขาไปพ้นธนาคารไปป้อนอะไรต่างๆมันก็รวยได้เป็นอยากได้ตำแหน่งสูงๆมันก็ลิงเต้นได้มันก็เป็นของที่มันไม่ได้อยู่เรื่องของการทําบุญหรือทำบาปพอเราเรื่องการค้อยถ้เาเราเข้าใจอย่างนี้ก้เราจะได้ไม่ไม่กังวลไม่ไม่สับสนจะได้เชื่อมั่น ว่าความสุขความเจริญความทุกข์ความเสื่อมทางกฎแห่งกรรมนี้อยู่ที่จิตใจของเราเท่านั้นเองจิตใจของเรานี่ที่จะเจริญหรือจะเสื่อมจะสุขหรือจะทุกข์อยู่ที่การทาบุญทำบาปของเราคำถามที่สองถ้าต้องการพิสูจน์ความจริงในศาสนาพุทธจะต้องทำอย่างไรครับก็ต้องศึกษาสิศึกษาแล้วก็ปฏิบัติทาทานดูสิลองทาทานดูเราจะรู้สึกอย่างไร ทำทานแล้วสุขใจหรือทุกข์ใจคุณสัจจาสอนธรรมะแม่แล้วแม่ไม่เข้าใจเราก็หงุดหงิดเราจะบาปไหมครับก็เรายังเป็นสอนตัวเองไม่ได้ไปสอนคนอื่นทาไมเรายังสอนเขาเรายังหงุดหงิดก็สแสดงว่าเรายังสอนตัวเราแม่หงุดหงิดไม่ได้ก็สอนให้เราไม่หงุดหงิดก่อนซิเมื่อเราไม่หงุดหงิดแล้วก็ไปสอนให้คนอื่นก็ต่อได้ <c oughs> คุณรังสิมันอุโบสถศีลมีน้ำอะไรบ้างครับพระอาจารย์ที่ดื่มไม่ได้คือน้ำที่อนุญาตให้ดื่มได้ก็เป็นน้ำผลไม้เป็นหลักแล้วน้ำที่เป็นยาถ้าเป็นยานี้ดื่มได้แล้วก็น้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำตาลนี้ก็รับประทานได้น้ำผลไม้ก็ต้องผลไม้ที่ขนาดไม่ใหญ่กว่ากำปั้นน้ำสมโอไม่ได้น้ำแตงโมไม่ได้น้ำสับปะรดน้ำมะพร้าวนี้ไม่ได้ ต่อน้ำสม้มน้ำแอปเปิลน้ำมะม่วงเนีน่พวกนี้ได้แต่ต้องกรองไม่ให้มีกากไม่ให้มีเนื้อติดอยู่ให้มีแต่น้ำเปล่ า, ลาน้ำนมก็ไม่ได้นะนมถือว่าเป็นอาหารนมถั่วหลือน้ำนมวัวนมควายนมแพะนมแก ะ, น, แกะนี่ไม่ได้นะ ค, ำคำถามหมดแล้วคำถามหมดแล้วโอเคดูไว้ลา ามาแนละ้วคำถามรอแป๊บเดียวส่งไมครโกโัคนนะพูดดังๆหน่อยนะจะได้ฟังชั้นไม่ฟังทีฟังคำถามไม่ได้ยินกราบธรรมการพระอาจารย์ครับเมื่อกี้ลูกนั่งนึกอยู่ผมศึกษาสมาธิครับที่นี้อยากมีคำถามถามพระอาจารย์เรื่องสมาธิวิปัสสนาและกรรมฐาน ความแตกต่างระหว่างสามขั้นและก็ความละเอียดครับผมว่าว่าต่างกันหรือว่าละเอียดตรงไหนตรงไหนเริ่มก่อนมีอะไรบ้างนะสมาธิวิปัสสนาและกรรมฐานอย่างนี้ครับผมคำว่าสมาธิคือการทำใจให้นิ่งให้สงบครับผมเรียกว่าสมาธิกวิปัสสนาคือการสอนใจให้ฉลาดให้เห็นความจริงเห็นนริยสัจสี่เห็นใจรักเรียกว่าวิปัสสนาครับกรรมาฐานก็คืออารมณ์ที่เราใช้ กำกับใจเวล า, เานั่งสมาธิเป็นพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนี้เป็นกรรมฐานสามสิ่งนี้นี่คือสมาธิจะเกิดก่อนอใช่ไหมครับก็คุยใกล้ใอ่าสามสิ่งเนี้ยถ้าเราเริ่มก่อนนี่คือสมาธิจะเกิดก่อนใช่ต้องต้องฝึกสมาธิสมาธิก่อนได้วฝึกทางปัญญาต่อแล้าฝึกสมาธิได้ต้องมีกรรมฐานต้องมีสติกรรมฐานคือที่ตั้งของสติเป็นพุทโธพุทโธเนือกายกระตาสติก็ร่างกาย ให้เราคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปกับอารมณ์อย่างๆไม่ให้ลอยไปความคิดให้อยู่กับพุทโธพุทโธหรือให้อยู่กับการเคลื่อนไหวหการกระทำของร่างกายอันนี้เรียกเป็นการเจริญกรรมฐานเจริญสติเมื่อสมาธิเกิดขึ้นจนถึงจุดในระดับหนึ่งเนี่ยกรรมฐานจะเกิดขึ้นเองตามมาเหมือนปัญญาไม่กรรมฐานนี่เป็นตัวที่เราต้องทงํานีอ๋อครับ พุโทโธพุธโทโธนี้เรียกกามฐานเป็นอารมณ์ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อทําให้ใจเป็นสมาธิเป็นเหตุของสมาธิไม่ใช่เป็นผลของสมาธิเป็นเหตุของสมาธิผลของสมาธิก็คือความสุขอุเบกขามันจะเป็นผลที่เกิดตามมาครับผมแล้วพอเรามีความสุขมีอุเบกขาเราก็ไปสอนใจให้เห็นความจริงได้เห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์ได้เพราะถ้าใจเราไม่มีความสุขใจเราจะถูก ความหลงความโลภความโกรธครอบงาใจทำให้เรามองไม่เห็นตายนนานรักไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เห็นอริยัสัตว์ครับกราบขอบพระคุณครั บ, บใครมีคำถามอะไรก็ถามได้นะไม่ต้องอายการถามนี่ไม่ได้แสดงว่าเราโง่แสดงว่าเราฉลาดเราอยากรู้ใยรู้ใฟเพราะเรื่องทางธรรมานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะรู้ ได้ง่ายทุกคนต้องศึกษากันทั้งนั้นพ้าหลานทุกรูปนี้ต้องศึกษาก่อนถึงจะนำใบปฏิบัติแล้วก็บรรลุได้ถ้าสงสัยก็จะปฏิบัติไม่ถูกงเมื่อกี้นี้ฐานสามข้อนี้ก็เกี่ยวกับปฏิบัติวนๆไม่รู้ยาวตัวไหนก่อนไปวิปัสสนาก่อนก็ผิดแล้วต้องไปที่กรรมฐานก่อนไปที่เจริญสติก่อนครับกรรมฐานเป็นอารมณ์ของการตั้งสติ เห็นพุโทโธลมหายใจร่างกายนี้เป็นที่เจริญสติเหล่านี้เราเรียกว่ากรรมฐานมีกรรมฐานสี่สิบเนี่ยพุท ธ, ธานุสติก็พุโทโธธรรมานุสติก็ธรรมโมสังขานุสติก็สังโคอานาปณะสติก็ลมหายใจเข้าออกเหล่านี้เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่เราจะใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้คิดปรุงแต่เวลานั่งสมาธิจิตจะได้ไม่คิด เมื่อไม่คิดมันก็จะนิ่งจะสงบแล้วก็จะมีความสุขมีอุเบกขาใจเป็นกลางปล่อยวางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงตอนนั้นก็สอนให้มองทุกอย่างว่าเป็นตายรักได้คุณวรัตทาอย่างไรเมื่อเกิดในภพภูมิหน้าจะได้พบกับคำสอนของพระพุทธองค์อีกครั้งครับเรากาหนดไม่ได้อนาะคตยิงเฉพาะการโดยเกิดนี่มัน มีเหตุปัจจัยที่เหนือเหนือกําลังความสามารถของเราได้แต่สิ่งที่เราทําได้ในตอนนี้ก็คือเราพบแล้วเราจะไปรอไปพบข้างหน้าทําไมพบตอนนี้ก็รีบถ้าเจอคนสวยคนที่เราชอบก็รีบไปจีบซะไม่ใช่ไปรอชาติหน้าเขาไปพบกันใหม่ อ, อย่าไปโลภมากเอาชาตินี้ให้ได้ก่อนแล้วชาติชาติหน้าค่อยว่ากันต่อไปเนาะกังวลไปถึงชาติหน้านู่น รสชาตินี้ก็ไม่ทำํำมันก็เลยไม่ได้เดี๋ยวไปเจอชาติง่ายก็ไม่ทำอกีกกังวลถึงชาติต่อไปอีกคุณสวรรค์ทองพยายามเดินจงกรมและสวดมนต์อยู่แต่ยังขาดสติกําหนดจิตพุทโธพุทโธแต่ยังไม่ค่อยต่อเนื่องควรกําหนดจิตอย่างไรต่อครับจิตจึงเกิดความสงบครับทําให้มากขึ้นทําให้มากขึ้นทําน้อยมันก็ มันก็ได้น้อยยังไม่ค่อยได้ผลพอองทำเยอะๆทำทั้งวันดูสิวันหยุดทำงานไม่ต้องทำอะไรเนี่ยเดินโยกมมนั่งสมาธิทั้งวันถ้าทำได้ทั้งวันรับประกันได้จะต้องได้สัมผัสกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ ง, งแน่นอนทำน้อยไปมันก็เะไ ย, ยังไม่เกิดผลขึ้นมาทำมันมากเดีย๋ยวพอมันได้น้าหนักที่มันจะเกิดผลมันก็เกิดผลขึ้นมาถ้าน้ำหนักยังน้อยอยู่ผลมันจะไม่เกิด คุณ Little Flower ผลไม้แห้งเช่นอินทผลัมถวายพระสงฆ์ได้หรือเปล่าคะแล้วแต่ถวายเวลาไหนถ้าเป็นถ้าเป็นอาหารนี่ต้องถวายช่วงท่านที่เช้าก่อนเพลเป็นช่วงที่พระรับของที่เป็นอาหารฉันได้ถ้าถ้าจะรับแล้วให้ท่านเก็บเอาไวน้นี่ต้องถวายแบบวางไว้เฉยๆไม่ต้องให้ท่านรับกับมือเองแต่ไปวางไว้แล้วบอกขอถวายของนี้ให้ท่านแล้วแต่ท่านจะพิจารณา ถ้าเป็นของที่มันเป็นอาหารแต่เก็บไว้ได้เช่นปลากระป๋องอะไรพวกนี้นมเดิมอะไรก็จะได้ให้ลูกศิษย์เก็บไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ถ้าเกิดไม่มีอาหารจากบิณฑบาตอาหารจากบิณฑบาตไม่พอเพียงก็ให้ลูกศิษย์นําอาหารที่ญาติโยมเอามาฝากไว้ให้ถวายให้ได้แต่ห้ามรับกับมือถวายกับมือไม่ได้เพราะว่าถ้ารับกับมือถือว่าประเคนถ้าประเคนหมายถึงว่ารับเป็นของของพระเอาไปฉัน เนี่ยฉันถ้าจะไปฉันก็ฉันไม่เกินเพียงวันแล้วถ้าเป็นผ้าที่ฉันมือเดียวก็ฉันเพียงแต่ขณะที่ช่วงฉันนั้นถ้าลุกจากที่นั่งแล้วก็จะไม่ฉันอีกต่อไปก็ของที่รับมาแล้วก็ต้องสละไปไม่ให้เก็ บ, ไ ม, กบไม่ให้เก็บไว้ข้ามคืนต้องต้องสละไปต้องแจกจ่ายไปไม่ให้สะสมอาหารคุณบีหลังนั่งสมาธิออกมาแปลงฟันแล้วมองตัวเองในกระจก รู้สึกไม่ใช่ตัวเราแต่รู้ได้ไม่นานหรือตอนนอนบางครั้งรู้สึกว่าร่างกายนอนอยู่ควรทำอย่างไรต่อไปคะก็รู้สึกแบบนี้มันยังไม่สำคัญรู้สึกผิดเวลาต้องรู้สึกตอนที่มันเจ็บอย่างงี้บอกไม่ใช่ตัวเราถ้ามันรู้สึกงั้นเราจะได้เฉยกับมันได้ต้องฝึกถึงขั้นนั้นแต่ถ้าไม่รู้สึกตอนที่มันไม่มีเหตุการณ์อะไรมันก็เฉย ถ้าไปช่วงที่กําลังจะโดนเขายิงนีบอกเออมันไม่ใช่ตัวเรายิงก็ยิงไปสิวะ mm hmm. เราเป็นคนดู mm hmm. ใจเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกาย mm hmm. ร่างกายไม่ใช่ใจ mm hmm. มันต้องดูแบบนั้น mm hmm. จะดูแบบนั้นได้ต้องเข้าสมาธิให้เป็นก่อน mm hmm. เวลาเข้าสมาธิใจจะแยกผู้รู้จะแยกออกจากร่างกาย mm hmm. ผู้รู้ว่าร่างกาย ก, mm hmm. กับผู้รู้นี้เป็นคนละส่วนกัน แล้วตอนนั้นน่ะเวลาออกจากสมาธิมาก็สามารถที่จะเตือนใจได้เตือนว่าร่างกายไม่ใช่ผู้รู้นะผู้รู้ไม่ใช่ร่างกายอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้รู้ให้สอนนี้ไปเรื่อยๆพอมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็จะได้ไม่ตื่นตระหนกจะรู้สึกเฉยเฉยคุณจิรารัตน เราควรวางจิตและปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้ที่ปรามาศครูบาอาจารย์ซึ่งเรามั่นใจได้ว่าท่านเป็นพระสุปฏิปันโนค่ะไม่ใช่เรื่องของเราใครก็จะปรามาไม่ปรามาก็เป็นเรื่องของเขาไปไม่เกี่ยวกวับเราเราอย่าปรามากับเรากันคุณสตีลเอ็นไม่ชอบที่ใจไปคิดถึงคนที่เราชอบคือไม่อยากจะชอบใครอีกแล้วจะต้องทาอย่างไรดีคะแต่คุมอคิดถึงพรพุทธเจ้าเลย พุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวจะหยุดคิดถึงเรื่องอื่นได้คุณโทมิราวินจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอิสระแล้วไม่มีความคิดให้ยึดแค่รู้เฉยๆแต่ไม่กระทบเป็นอุเบกขาถาวอนใช่ไหมคะใช่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับเหตุการณ์ต่างๆสิ่งต่างๆรู้แล้วก็เหมือนเป็นหย ด, ดน้นบาบนใบบัวไม่ซึมซ่ากาหากัน ไม่ดูดเข้าขากันด้วยความรักชังกลัวหลงหนูก็รู้สักแต่ว่ารู้ไปปล่อยวางแต่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่ยังทําหน้าที่ทักทายกันได้อยู่สนทนากันช่วยเหลือกันด้วยความเมตตากรุณาได้อยู่ทําสิ่งต่างๆได้เหมือนพระพุทธเจ้าสงฆอโลกครูบาอาจารย์สงคฆอโลกท่านทําด้วยจิตที่ไม่มีท่านไม่มีรักชังกลัวหลงกับสิ่งที่ท่านทําท่านทําเพื่อประโยชน์ของผู้รับเพียงฝ่ายเดียว ตัวท่านเองนี่ท่านไม่ไม่ต้องการประโยชน์อะไรเพราะประโยชน์ของท่านเต็มเต็มเปลี่ยนอยู่ในหัวใจแล้วเพิ่มเท่าไหร่ก็เพิ่มไม่ได้ละมันเต็มร้อยแล้วนั<ม>้นท่านยังทํากิจได้อยู่ทําอะไรต่างๆได้อยู่ไม่ใช่เป็นพ้าอรหานแล้วต้องกลายเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปทําอะไรไม่ได้เลยทําเป็นกิเลส ข, ขึ้นมาทันทีไม่ใช่ท่านทาด้วยกิริยาท่านไม่ได้ทําด้วยกิเลสแต่พวกปุถชนนี่ทําอะไรต้องทําด้วยกิเลสเท่านั้น ถ้าไม่รักก็ชั่งไม่ชั่งก็กลัวไม่กลัวก็หลงอย่างได้ย่างมันคุณละองการถ้ากายกับจิตคนละส่วนกันแล้วถ้ากายเราป่วยจําเป็นต้องรักษาอยู่ไหมคะเพราะเรื่องเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นสิทธิ์ของเราเราจะเลือกก็ได้จะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายถ้าไม่รักษาเพียงแต่อาจจะขี้เกียจ พรจ้บอก80ปีก็พอแล้วขี้เกียจรักษาต่อถ้าจะรักษามันก็อยู่ได้ถึง120ปีแต่ก็เห็นสภาพของคนแก่แล้วไม่แก่ดีกว่าแก่แล้วก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้ก็ท่านก็เลยบอกเอาแค่80ก็พอถ้ามันป่วยมันเป็นอะไรก็ไม่ไม่รักษามันปล่อยมันไปตามตามอัตภาพของมันถ้าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปคุณทิติชยา ปฏิบัติจนมีความรู้สึกว่าสุดท้ายก็กลับมาเป็นธรรมชาติเพียงแต่มีจิตเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเลยเจ้าค่ะเพียงแต่ต้นไม้ไม่มีจิตเหมือนมนุษย์หนูคิดถูกไหมเจ้าคะใช่ต้นไม้ไม่มีจิตร่างกายมีจิตแต่ร่างกายกับจิตก็ไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันจิตเป็นผู้มาครอบครองมาใช้ร่างกายชั่วค่าวเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งคนขับกับละรถยนต์เป็นคนละส่วนกัน จิตกับร่างกายก็เป็นคนละส่วนกันจิตไม่ตายไปกับร่างกายจิตไม่เจ็บไม่เป็นอะไรไปกับร่างกายคุณดีดาตอนนั่งสมาธิแล้วเห็นเหมือนมีแสงแสงนี้คืออะไรเจ้าคะแสงก็คือแสงนี่คำถามก็พิจารณามันเป็นตายลักไปทุกอย่างที่ปรากฏเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติที่เราไปสั่งไปควบคุมมันไม่ได้ คุณโน่งตอนทํางานพอ ร, รู้ว่าจะเครียดจะนึกถึงพุโทโธครับพอใจนิ่งแล้วกลับมาทํางานต่อแบบนี้ปฏิบัติถูกไหมครับก็ถูกวักากลังๆับความเครียดเชั่วกราวดี๋ยวกลับมาทํางานก็เครียดใหม่ถ้าไม่อยากเครียกก็อย่าไปทํางานเลยไปบวช <c oughs> อ้าวจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะจริงๆ <c oughs> หมดแล้วเหรออาว่ามา คุณหยินอย่างกรรมฐานที่ยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์ปฏิบัติอย่างไรคะนี่ไม่ได้หรอกนิพพานนิพพานมันไม่มีจะไปยึดมันได้ยังไงให้ยึดพุทโธเป็นอารมณ์นีนิพพานนี่สำหรับพาาระอรหันตานั้น mm. ที่จะยึดเป็นอารมณ์ได้ mm. แต่ผู้ที่ไม่มีนิพพานจะไปยึดเป็นอารมณ์ได้งไงผู้ที่ไม่มีเงินจะมายึดเป็นอารมณ์ได้ไหมไม่ได้หรอกใช่ไหมมันต้องยึดในสิ่งที่เรา มีสร้างขึ้นมาได้เช่นราหายใจยึดลมหายใจเป็นอารมณ์ยึดอะไรที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้เป็นอารมณ์ได้จากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะผมเคยเถียงกับคุณแม่โดยที่คุณแม่ไม่มีเหตุผลเลยผมเกิดควบคุมอารมณ์ไม่ได้ส่งเสียงดังตะโกนใส่คุณแม่ผมผิดใช่ไหมครับและผและผมควรจะทำอย่างไรครับไ่กอย่าเถียงยต่อไปก็อย่า ให้สมนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนเข้าใจไหมเวลาคุยกันดูว่าเรื่องไหนคุยกันรู้เรื่องก็คุยกันไปเรื่องไหนคุยไม่รู้เรื่องก็อย่าคุยก็ท่านั้นเองเพแล้วพาเรามีทัศนคติไม่เหมือนกันเห็นความเห็นต่างกันเมื่อเห็นความเห็นต่างกันจะมาประสานกันก็ยากเอาเรื่องที่มีความเห็นตรงกันมาประสานมันง่ายกว่าเพราะรู้ว่าจะทะเลาะกันแล้วจะเถียงแล้วแล้วหยุดหยุดหยุดนครับ คำถามที่สองขอท่านพระอาจารย์โปรดเมตตาอธิบายสีนข้อสามอย่างละเอียดด้วยครับสีนข้อสามการมระพูดผิดประเพณีก็ประเพณีของมนุษย์คืออะไรการมีผัวเดียวเมียเดียวเนี่าประเพณีถ้ามีหลายผัวหลายเมียก็เป็นพวกสุนัขเดือนเก้าเนี่ละเอียดที่สุดแล้ว คุณเจดาวชอบสวดมนต์มากกว่านั่งสมาธิการสวดมนต์ถือเป็นกรรมฐานไหมคะและการสวดมนต์ในใจตลอดเวลาเราคิดได้ถือเป็นกรรมฐานด้วยไหมคะเป็นแต่เป็นขั้นต่กาก่อสมาธิแต่ก็ต้องทำก่อนถ้ายัางนั่งสมาธิไม่ได้ก็ต้องอาศัยการสวดมนต์ไปก่อนด้วยขัา้ ท, าท่องพุโทโธไปก่อนแล้วพอใจเรามีสติมากขึ้นเราก็จะนั่งสมาธิต่อไปได้ คุณอรณิชาให้ลืมเรื่องในอดีตและอยู่กับปัจจุบันรักษาศีลให้ดีทำความดีทำบุญทั้งในทางโลกและทางธรรมคือกรรมดีใช่ไหมเจ้าคะเอะเป็นบุญก็ทำไปก็ไปสวรรค์ตายไปแต่ยังไม่หยุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องไปภาวนาไปปฏิบัติธรรมไปชำระโลกกรดหลงให้หมดไปจากใจถึงจะไปนิพพานได้คุณสิริกร ถ้าเรารักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานการฝึกภาวนาจะสามารถก้าวหน้าหรือไม่เจ้าคะจําเป็นต้องรักษาศีลแปดหรือไม่เจ้าคะก็ได้ในระดับหนึ่งในระดับของศีลห้าแต่จะสู้ระดับศีลแปดไม่ได้เหมือนซื้อรถที่มีพลังมากรถที่มีกําลังสามร้อยสามพันกับรถที่มีกําลังสองพันนี่มันต่างกันมันกําลังที่จะผลักดันให้จิตไปสูงขึ้นสะอาดขึ้นนี้ ต้องอาศัยศีลเป็นผู้ให้การสนับสนุนแต่ศีลอย่างเดียวไม่พอนะศีลเป็นเพียงผู้สนับสนุนให้ปฏิบัติสมาธิได้สะดวกขึ้นสมาธิก็จะสนับสนุนปัญญาให้ให้มีให้เห็นชัดเจนขึ้นให้ละ ก, กิเลสได้ปัญญาก็จะชำระ ก, กิเลสตัดกิเลสให้หมดไปจากใจทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นั่นเป็นธรรมที่สนับสนุนกัน ศีลห้าก่อนแล้วก็ศีล8แล้วก็ไปแล้วก็ฝึกสมาธิได้สมาธิก็ฝึกปัญญาต่อได้ปัญญาก็ได้วิมุตต์ได้หลุดพ้นต่อไปคุณมาร์กการเที่ยวโสภาณีถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดไหมครับต้องไปใช้กรรมต้องไปชดใช้กรรมในนรกหรือเปล่าครับส่วนใหญ่คงังไปเป็นนราชานนะเป็นแบบสุนัขเนะ่เป็นแบบสัมเนราชาน คุณกิติพรคุณแม่ของหนูเวลาเจอหน้ากันก็จะชวนคุยแต่เรื่องในช้อปปีคุณแม่ดูไลฟ์ทั้งหมดพอหนูได้ยินทุกวันก็เบื่อรู้สึกรำคาญหนูบาปไหมเจ้าคะบางทีก็ทะเลาะกันไม่สบายใจเลยเจ้าคะ่ะถ้าไม่พูดก็บาปถ้าถ้าไม่พูดเฉยๆปล่อยท่านไปตามเรื่องของท่านก็ไม่บาปท่านจะทําอะไรก็เรื่องของท่านเราจะทําอะไรก็เรื่องของเรา ก็อยู่คนละห้องไปก็ได้ท่านอยากจะช้อปปี้ก็ให้ท่านช้อปปี้ไปเราอยากจะนั่งสมาธิล้วก็เข้าไปในห้องเราไปนั่งสมาธิก็ไม่เห็นจะต้องไปก้าวก่ายชีวิตของกันละกันทําไมนะแม่ตัวใครตัวมันนอกจากถ้าเข้ามาปรึกษามาขอความรู้แล้วก็พูดบอกไปว่ายัางไงดีกว่ากันได้อยู่แต่ถ้าก็าไม่ศึกษาก็อย่าไปเสือเลย <laughs> คุณชัยยันผมนํากด ใจ ร, รักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกําหนดสติในการเคลื่อนไหวของร่างกายแบบนี้ถือว่าเป็นการเจริญสติไหมครับเจริญสติต้องไม่คิดไม่คิดทางใจรักให้รู้เฉยๆให้หยุดคิดไปก่อน mm hmm. การฝึกสติเพื่อหัดหยุดคิดแล้วพอได้สมาธิแล้วหยุดคิดได้แล้วควบคุมความคิดได้แล้วก็ไปสอนให้คิดทางปัญญาต่อไปเบื้องต้นฮะหยุดคิดให้ได้ก่อนถ้าหยุดคิดไม่ได้จะ ดึงให้ไปคิดทางปัญญามันคิดไม่ได้เพราะกิเลสมันจะดึงไปคิดทางกิเลสหมดแล้วเหรโอเคหมดก็พอสมควรแก่เวลาถ้าไม่มีใครอยากจะถามอะไร ก, ก็คิดว่าจะขอยุติการสนทนาไว้เพียงเทางนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด